ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันดับแรกนี้อาตมาอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหมดรวมกิจไว้กับพุทธโธ ท, ทุกคนรวมกิจให้อยู่กับพุทธโธ ท, ทุกคน เมื่อจิตสงบแล้วให้วางพุทโธเสียตั้งสติรักษาจิตอย่างเดียวค่อยปล่อยวางลงไปตามลำดับอันดับแรกให้นึกถึงให้จิตตั้งอยู่กับพุทโธ เมื่อจิตสงบแล้วให้ปล่อยวางวางพุทโธเสียวางลงไปหมดเลยทุกคนนะ่ะให้วางลงไปวางพุทโธลงไปจนพุทโธหายไปนี่แหละการปฏิบัติมันมีไม่มีอะไรมากหรอก นึกพูดโทรไว้ใจสงบแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆให้เหลือแต่รู้อยู่ในจิตอย่างเดียวให้วางนะแล้วก็ให้รู้มีสติกับจิตรู้กันอยู่อา จะเทศนิปัสสนาให้ฟังเทศให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยะมรรคบีองแปดสัมมาทิธิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะ สัมมาอาชีวะสัมม า, าวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าสมาธิอันนี้คือหนทางที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ดได้สมาธิแล้วลองพิจารณาดูตั้งสติไว้กับพุทธโธอืม จะเทศวิปัสนาวิปัสนาก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายคือรูปกายของเรานี้เวทนาคือความรับรู้อารมณ์ต่างๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตัวตนของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดได้มันดับได้ เกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นแหละแต่ก่อนก็เป็นเด็กเล็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนแก่ต่อมาก็คนเจ็บต่อมาก็คนตายรูปเป็นอย่างเงี้ยรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปก็คือตัวต้นห้าวนี่เองมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่มันดับไปเราเห็นชัดในใจของเราโอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนาะนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นถูกเป็นของเป็นหน้า ต, ตาให้เห็นอย่างนี้แหละรูปกายในไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วมันไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครจะเอาตายนี้ไปด้วยเวลาตายแล้วลมออกจากตัวแล้วจิตก็ออกจากกายอันนี้ทอดทิ้งกายอันนี้ไว้ในโลกแต่จิตก็ไปสร้างความดีต่อในสวรรค์สร้างความดีต่อในสวรรค์มันก็ได้สุขได พนทุกข์เหมือนกันท่านจึงให้ทำวิปัสสนาคือกาหนดรู้ความไม่เที่ยงในตัวเราให้สังเกตการที่เราพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงในตัวตัอันนี้เลยเรียกว่าทำถูกทําเป็นเห็นความไม่เที่ยง รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็คือความรับรู้อารมณ์ต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากระทบกระทั่งจิตใจเราก็ให้เราปล่อยวางไม่ให้ไปยึดถือไว้ถ้ายึดถือทุกข์ก็มีในใจเราถ้าเราไม่ยึดถือทุกข์ก็ไม่มีในใจเรา ถ้าเราไม่ยึดถือแล้วอะไรมันจะเกิดหรอก็คุณธรรมเกิดขึ้นในใจของเราใจของเราจะมีสุขรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ใครเป็นผู้จำใครเป็นผู้ได้ ใจของเราเป็นผู้จําเป็นผู้ได้อย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ใช่สังขารความคิดนึกปูงแต่งเวลาเรานั่งสมาธิอยู่มันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่จบสักทีเดี๋ยวคิดเรื่องนี้แล้วกับยังไม่เสร็จดี ก็คิดเรื่องใหม่เลยพอคิดเรื่องใหม่ก็ขัดข้องอีกแบ้มันก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมมันมันต้องวางให้หมดให้เห็นอ น, นิจจังสุกขังอนัตตาหมดให้รู้ให้เห็น เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่ให้เห็นที่ตัวเราเนี่ยที่ใจเราเนี่แหละที่ร่างกายอันนี้แหละใจไม่แก่ไม่เท่านะใจนี่ไม่แก่ไม่เท่าแต่ร่างกายนี้แก่ขึ้นไปตามลำดับอีกสิบปีถ้ายังไม่ตายก็จะมาวัดนี้อีกก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานในตัวตนอีกเหมือนกัน เมื่อดับความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนทั้งหลายนี้ออกไปจากใจแล้วใจจะสบายใจจะมีความสุขมีความตั้งมั่นแน่แน่เนี่ยวิญญาณคือใจของเราใจของเรานี่ไม่เหมือนกายกายนี้มีแก่มีเท่าแต่ใจไม่แก่นะ ขนาดแก่ปานนี้ยังยังไม่คิดว่าจะของแก่นะท่านคิดว่าหนุ่มๆอยู่ซะด้วยฮะมันไม่คิดว่าแก่คิดว่าเป็นหนุ่ ม, มเป็นหนุ่ ม, มอยู่น้นเราดีไหมเออแต่พอไปมองดูที่กระจกโอ้โหเราผมหงอกหลายเส้นแล้วนั่นมันไปแล้วกันเถอะร่างกายมันไปหมดแล้วผมก็หงอกละแบบนี้ นวดก็งอกด้วยนะเออมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอาตีตางนานนะขบมยยะนับเปอา ต, าตปปนนาาิตังเชนะขตังปัจุปนังจัโยธมังตถาตถาวิปัสตินั่นเสนาเข้ามานเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เราเห็นปวดนั่นปวดนี่นานหลือก็เมือม่อยแข้งเมื่อยขานาน มันไปของมันอย่างงั้นนั่งนานมันก็เหนื่อยนอนนานก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเวลานอนนอนนานๆอยู่เตียงเโรงพยาบานนนอนไม่ได้นั้นเลยมนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนอนอยู่บ้านก็เหนื่อยเหมือนกันอยู่ที่ไหนมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะอะไรพ่อมันไม่เที่ยง พอไม่มีตัวตนมันนึงเกิดทุกข์ขึ้นเสนาพยามาร น, นี่ปรากฏอยู่ที่ผมบ้างผมเคยดำก็เป็นหงอกเป็นขาวขึ้นมาเออนั่นะเนาพยามาร น, นี่เยอะท่านจึงไม่ให้คิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคตให้นึกถืออยู่ปัจจุบัน ตถาตถวิปสัสสติให้นึกอยู่นั่นแหละให้อยู่ในปจิบันทีนี้เราทำยังไงก็ให้นึกพุทโธอยู่พอได้ฟังวิปสัสสนากิ่ใจก็เย็นแล้วไปเย็นสบายถ้ามันเย็นสบายอย่างนี้ก็ลืมแก่นนะมีพัะตาคารหนึ่งที่ อยู่บ้านนอ็นก่อยกลางวันเงียบไม่มีคนพอดีอาตจมาไปซื้อน้ำมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมองเห็นที่ตรงนั้นที่ตรงข้างๆกันคนละฝากถนุนพระตาคารลืมแก่เขาว่าโอ้เราก็คิดรับขึ้นมาในใจ พวกนี้มันมากินเหล้ากินเบียมาร้องลำมทำเพลงสนุกสนานลืมแก่ไม่คิดว่าเราจะแก่ไม่คิดว่าเราจะตายมันต้องแก่ต้องตายหมดทุกคนก็ต้องรีบสร้างบุญสร้างอุศนสั่งสมเงินทองเพื่อความเป็นอยู่ของเราม่พอได้เงินมาก็าไปกินเหล้า เล่ามันไม่ให้ประโยชน์อะไรหรอกเล่านะมันให้ ย, ยืงเยีอยนสีสาใจแล้วก็อาเจียนออกมาใจกินเข้าไปไม่ท้องไม่ไส้นะไม่ท้องไม่ไส่ก็เสยไม่สดใจมีแต่กินมีแต่ร้องเพงมีแต่ทำนั่นทำนี่ให้ลองคิดดูสิหกสิบปียังไม่เพลินกับเขาอยู่ มันลืมขนาดไหนมันลืมแก่เด้เราก็เหมือนกันท ำ, ท, ทำนั่นปฏิบัติธรรมทานั่นทํานี่มันก็ลืมลืมแก่เหมือนกันแก่แล้วแต่นึกไม่ออกว่าเออเราแก่แล้วถ้าไม่เชื่ออีกสิปีข้างหน้าลองดูเดียวไปเอากระจกสองดูเออมันแก่ไปได้เท่าไหร่แล้วผมก็ขาวเลย นั่นแหละถ้ายังมัวเมาอยู่ประมาทอยู่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราก็ต้องไปตามวตาสงสารนี่แหละเราก็กินเหล้าก็ให้ไปตกทุกข์เลยยากถ้ากินยาบ้าก็ตายในคุกเลย เขามีวิธีตรวจคนแก่ก็ตามคนหนุ่มก็ตามกินเหล้าแล้วต้องเมาคนกินเหล้าไม่เมาไม่มีเมาไปยังไงอ่ะวิกเวียนแล้ววิเวียนแล้วก็อาเจียนมันเป็นอย่างนี้แหละนั่นดูผู้การเจริญอายุแปดสิบปีผมขาวเกือบหมดอะ ถมาปฏิบัติธรรมกับพวกเราทุกคัดมาเป็นผู้นำดูลิแต่ก่อนท่านมาก็ยังไม่ขาวนะผมพอหลายปีต่อมาผมขาวหมดเลยนั่นเสนาแห่งความตายนี่ยมันปรากฏปรากฏที่ผมบ้างปรากฏที่ฟันบ้างทำให้เราปวดเรามีฟันแล้วก็ปวดฟัน เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแขนก็ปวดแขนมีขาก็ปวดขาอันนั้นพ ย, พยามารเนยเสนาของพยามตจุลาปรากฏในตัวของเราปรากฏขึ้นแล้วเราประมาทอยู่ไม่ได้เราต้องทำความดีให้มากที่สุดให้กินให้ทานเราจะได้สมบัติในโลกนี้ไป แต่ถ้าเราไม่กินไม่ทานไม่สร้างน้ำทําบุญอะไรไว้เราก็ไม่มีสิ่งนั้นเกิดอยู่นี้ก็เหมือนกันมันให้ผลเหมือนกันถ้าเราทำให้ทานรักษาศีลภาวนาไปสอนวัตรอะไ น, น, นั่นแหละคอยพิจารณาดูให้มันชัดลงไป ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงฟันเน่พอแก่ขึ้นมาก็เจ็บฟันอัตมาไม่แก่ก็ยังเจ็บฟันเหมือนกันนะเออยังเจ็บฟันเหมือนกันได้ถอนดอกเหมือนเจ็บมากเลยนั่นแสดงให้เห็นยังไงล่ะมันแก่แล้วฟันมันแก่ก่อนแล้วฟันมันแก่ก่อนแล้วมันไปก่อนแล้ว เห็นอยู for what, for ่แต่ไม oh, ่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เห็นยากเห็นทุกอันนี้ใครเจอเขาแล้วก็โอ้ร้องโอกโอกเลยแหละนั่นแหละพอแก่ขึ้นมาเสนาผญามัจุราชก็ปากฏตรงฟันปากฏตรงอกปากฏที่หัวใจ ปรากฏที่ขาปรากฏที่เท้ามีขาเจ็บขามีแขนก็เจ็บแขนมีหัวมีสมองก็เจ็บสมองปวดสมองเจออะไรในโลกนี้เรามาเกิดแล้วถ้ายังไม่มีธรรมะในใจไม่ได้มากขวดมันก็เสียโอกาสมากเลยเรามาเนะ่ยมันเสียโอกาสมากเราควรจะได้ดี เราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเราท่องได้หมดทุกเล่มพระไตรปิฎก91เล่มเนะีท่องได้ทุกเล่มจนจบ 84,000 พระธรรมขันธ์จบหมดอธิกษาก็มีอยู่นั่นคืออธิบายพระพุทธพจน์อีกที่หนึ่งก็มีอยู่ในนั้ น, ออ น, ใ, น, ใ, นในพระไตรปิฎกรวมแล้วทั้ง29ตั้ง92 91 92 ตัวไปเล่มแล้วนะ่ะเก้าสิบเอ็ดเ้าสิบสองเล่มโอ้โ oh. หถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็รู้เฉพาะรู้ตามตำราถ้าปฏิบัติแล้วเรารู้ใจของเรานะไม่ใช่รู้ตามตำราเออ ถ้าปฏิบัติมันต้องรู้ใจใจเราวางได้หรื อ, อยังก็สามารถที่พิจารณาได้ว่าเราใจของเราวางหรื อ, อยังถ้าใจเราไม่วางเมื่อไหร่มันจะวางเมื่อตายแล้วมวางไหมวางถ้าตายแล้วต้องวางเหมือนเขาไปถามหลวงปู่ชอบแหละ หลวงปู Savior, um, ่เทศชั้นสั้นให้เราฟังให้พวกผมฟังด้วยหลวงปู่ชอบว่าวางเทศแค่นี้เราั้นสั้นเนี่ยวางถ้าวางได้มันก็พ้นทุกได้นถ้าวางไม่ได้มันก็มีทุกอย่างนัละทุกเถาะวางไม่ได้ วางกายก็ ว, า ง, ว, า, งกวางไม่ได้วางใจก็วางไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นความยึดความถือนะเกตตันหาเนี่ยมันยึดไว้มันไม่ปล่อยมันไม่วางมันยึดมันถือถ้ามันยึดมันถืออยู่มันก็วางไม่ได้ถ้าไม่ยึดไม่ถือก็เป็นนิพพานสนะมีปัญญาเห็นแจ้งชัด วิปั ส, สนาปัญญาถ้าจิงเรารวมลงไปจนวางความยึดถือแล้วนั่ น, น, นแหละปัญญาก็เกิดเห็นตัวของเรานีเป็นอสุภะก็ได้เห็นตัวคนอื่นเป็นอสุภะก็ได้คือความไม่สวยไม่งามมีอยู่ในตัวเราให้คิดดูอย่างนี้ตอนอายุเรายังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่พอเราแก่เราเท่าขึ้นมามันเป็นอย่างหนึ่งแต่ก่อนไม่เคยถือไม่เท้าก็ถือนะถ้าไปงั้นก็นกนลม้มไปไม่รอดต้องมีคนประครับประคองลุกขึ้นก็นยากเดินไปก็ยากเพราะอะไรจีเป็นอย่างนงั้นเพราะมัน แสดงให้เห็นเราพญาม ด, ดุราศนี่ปรากฏเลยอีกไม่นานเราต้องตายคนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นต้องตายแน่นอนคนเกิดมาเนี่ยตายแล้วไปสวรรค์หรือนรกอันนี้ก็กำหนดไม่ได้แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราถ้าเราได้ทาความดีไว้ก็เลยไปสวรรค์ไ ป, ไปพุมธโลกไปนิพพานมันเป็นอย่างนี้ให้ลองพิจนารณาดูสิ เราตายแล้ววิญญาณก็ออกจากร่างลมหายใจเราก็ไม่มีก็ตายวิญญาณรับเอาอะไรไปเอาความดีเอาบุญอกุศลไปเรามานั่งสมาธิเรานึกพุทธโธนี่ไม่ใช่ธรรมดาห น, นิตายแล้วไม่ไปตกนรกนะถ้าตั้งสติอยู่กับพุทธโธพุทธโธตายก็ตายอย่างก็อย่างกันแล้วแต่อันนี้เราไปได้ดีมาก ต้องไปสวรรค์นแน่นอนเพียงนึกพุโทโธอย่างเดียวนะยังไปสวรรค์ได้ส่วนมาปฏิบัติเนี่ยมันก็ยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราปฏิบัติคนไม่ลืมแก่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติลืมแก่เ อ, อกินเหล้าเมาเบียเป็นนั่นเป็นนี่ออสารพัดละ่ะมีเงินก็เอาไปไม่ได้หรอกมีโวมีควายก็เอาไปไม่ได้ ตายแล้วมีกิจวิญญาณเราเอาตะวุนกับบาปไปสู่สุคติอันนี้ให้พิจารณาลงไปที่ตัวเราให้ดูดูว่าเราเป็นยังไงเราสบายใจไหมก่อนตายเรานึกพุโทโธได้ไหมก่อนตายถ้าราึกได้ไปสวรรค์ฮพราการภาวนาในก็ ไม่ใช่เป็นของยากเกินไปเราตั้งใจปฏิบัติอยู่นี้มันก็ประสบความสําเร็จแล้วได้ความสุขความเจริญนละไม่ตกต่ํามีความสุขกายสบายใจวันนี้จากกองทุกได้คนทุกได้ขอให้เราคิดว่าเรากำลังทําความดีอยู่เราทําสมาธิเราทํำวิปัสสนาใจเราก็สบายทุกคน ทั้งผู้หญิงผู้ชายฟังทมแล้วฟังคำแนะนำแล้วทำตามนันก็ได้ผลการพิจารณาเขาเรียกว่าวิปัสนาเขาพิจารณาตัวเรานี่แหละถ้ามันไม่นึกไม่ออกก็พิจารณาคนอื่นสมมติว่าเขาเอาหนังออกเอาเนื้อออกหรือตะโค้งกระดูกไว้ส่วนไหนเป็นของเราเหรอเร า, เอาไปได้ไหม เอาไปไม่ได้ให้ตั้งใจอย่าประมาทในวัยละชีวิตคนเราไม่ถึงร้อยปีหรอกเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ไปและ้ะล่วงหล่นละถ้าผู้ปฏิบัติธรรมก็ไปช้าหน่อยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไปเร็วพอถ้าเท่าแก่มาลูกหลานก็บน่นอุ้ยใส่หูกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนบ่นนันบ่นนี่น นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าแก่เท่ามาคือแยกแยะตัวตนของเราออกจากกันเราก็จะเห็นชัดว่าร่างกายอันนี้ตัวตนอันนี้มันเป็นของไม่กีลังยังยืนอย่าคิดถึงอนาคตอย่าคิดถึงอดีตให ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเราก็จะพ้นทุกไปจากโลกนี้จะถึงความสุขความเจริญตลอดไปเอวังก็มีด้วยประกาศชนนี้